กจรัญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาที่18มีนาคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัาเพื่อมาทำบุญมาสร้างกุศล เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดคือความสุขในปัจจุบันและความเจริญของจิตใจที่จะเจริญเติบโตขึ้นไปสู่ภพที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับด้วยอหนาของการกระทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ทางวัดก็มี การบวชสามเณรภาคฤดูร้อนมีสามเณรอยู่ประมาณ60กว่ารูปด้วยกันที่จะบวชอยู่ปฏิบัติศึกษาธรรมที่วัดยานไปจนถึงวันที่29วันที่30สก็จะไปชั้นที่โรงเรียนผู้รู้ยอสอสอ แล้ววันที่ส1อก็จะลาสิกขาการบวชพระบวชเนนี้เป็นประเพณีของชาวพุทธชาวไทยเราที่มีความเชื่อว่าการบวชนี้เป็นการทดแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณเคบิดามานดาเป็นการ ให้บุญกุศลแก่บิดามารดาความจริงแล้วการบวชนี้ผู้ที่จะได้บุญกุศลก็คือผู้บวชส่วนบิดามารดาจะได้บุญหรือไม่ก็อยู่ว่าบิดามารดาจะบวชลูกแบบไหนถ้าบวชลูกแบบตัดหางปล่อยวัด ไม่มาดูแลอย่างนี้ก็จะไม่ได้บุนแต่ถ้าบวชลูกเพราะมีความรักมีความห่วงใยมีความเมตตาก็จะหมั่นมาวัดมาเยี่ยมลูกที่บวชเมื่อมาวัดก็ต้องมาทําบุญอย่างวันนี้มาเยี่ยมลูกตอนเช้าก็ต้องเอากับข้าวกับปาอาหารของข้าวของหวาน ของใช้ไม้สอยอะไรต่างๆมาถวายวัดถ้าปกติถ้าลูกไม่ได้บวชก็จะไม่ได้มีเวลามาวัดกันเพราะมวแต่คอยยุ่งกับชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งก็ดูแลลูกส่งลูกไปโรงเรียนดูแลลูกไม่ให้เกเรให้ลูกทำอะไรต่างๆที่ดีที่งาม แต่พอลูกมาบวชก็เลยมีเวลาว่างไม่ต้องดูแลลูกที่บ้านก็คิดถึงลูกก็เลยมาเยี่ยมลูกที่บางบวชแล้วก็เลยได้มาทำบุญทำทานแล้วก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมทำให้กได้รับความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าลูกบวชแล้วเราได้บวญแล้ว เราไม่ต้องมาวัดก็ได้แต่อย่างนี้ก็จะไม่ได้บุญการการได้บุญของพ่อแม่นี้ท่านเรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองพอลูกมาบวชเป็นพระเป็นเนนพ่อแม่ก็อาศัยผ้าเหลืองของพระของเนนมาเข้าวัดกันพอมาเข้าวัดแล้วถึงได้มาทำบุญกันพอทำบุญแล้วทีนี้แหละได้บุญละ บุญไม่ได้เกิดจากการกระทาของผู้อื่นลูกบวชนี้พ่อแม่ไม่ได้บุญผู้ที่บวชได้บุญเพราะผู้ที่มาบวชก็ต้องมารักษาศีลศีลนี่ก็เป็นบุญที่สูงกว่าการทำทานทำทานนี้ได้บุญน้อยกว่าการรักษาศีลเพราะว่าการทำทานอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายได้ ถ้ายังทําบาปอยู่ถึงแม้ว่าจะทําบุญทําทานใส่บาปถาวายข้าวของอะไรต่างๆแต่ถ้ายังทําบาปอยู่บาปก็จะดึงเราไปเกิดในอบายหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าไม่อยากจะไปอบายก็ต้องไม่ทำบาปถ้าทไม่ทําบาปแต่ไม่ได้ทําบุญ ก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ต่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่ทำบาปแต่ถ้าไม่ทำบาปแล้วยังมาทำบุญด้วยก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วถ้าได้มานั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพ แล้วถ้ามาฟังเทศฟังธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเกิดจากกิเลสตัณหาของเราการเกิดแก่เจ็บตายของเราเกิดจากกิเลสตัณหาของเราก็เลยตัดกิเลสตัณหาไม่ยอมทําตามกิเลสตัณหาพอตัดกิเลสตัณหาไนดะ้ก็ขึ้นไปสู่ชั้นที่สูงกว่าชั้นพรม คือชั้นของพระ อ, อริยเจ้าชั้นของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระ อ, อนาคามีพระ อ, อรหันต์พอถึงขั้นชั้นพระ อ, อรหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปในใจพบคือการมาพบรูปพบและอารมณ์พบผู้ที่ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระ อ, อรหรันต์ ได้กำจัดความโรโปวดหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตอีกต่อไปแต่ถ้าได้ขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีก็ยังต้องกลับมาเกิดแต่ไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบคือไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเป็นเทวดาแต่จะไปเป็นพรลงแล้วก็จะบรรลุ เป็นพ้าอารหันต์ในขณะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมส่วนถ้าได้ขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามีอันนี้ถ้าตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งครั้งเป็นอย่างมากแล้วก็จะสามารถปฏิบัติตัดปิเลตนาความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ ได้บรรลุขั้นที่สามและขั้นที่สี่ตามลำดับต่อไปส่วนถ้าได้ขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันนี้ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ไม่เกินเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากและจะไม่ไปเกิดในอาบายโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าได้ขั้นพระโสดาบันแล้ว เป็นขั้นที่จะสามารถหลีกเลี่ยงการไปเกิดในอบายได้เพราะมีดวงตามองเห็นทางที่จะไปสู่อบายมองเห็นทางที่จะไปสู่พระนิพพานพระโสดาบันก็จะเดินไปในทางที่พาไปสู่พระนิพพานจะไม่เดินไปในทางที่จะฉุดกให้ไปในอบายเพราะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นทาง ของนิพพานเห็นทางของอบายส่วนผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุขั้นพระอริยบุคคล น, นี้ก็คือปุตุชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้เป็นพวกที่ยังตาบอดอยู่ยังมองไม่เห็นทางไปสู่นิพพานยังมองไม่เห็นทางไปสู่อบายพวกเราเป็นพวกคําทางไปวันไหนคําผิดทางก็ไปในทางที่ไม่ดี วันไหนคำถูกทางก็ไปในทางที่ดีอะไรทำให้เราคำผิดคำถูกก็คือความรู้สึกนึกคิดในใจของเรานี้เองวันไหนเรามีความรู้สึกนึกคิดไม่ดีมันก็จะคำไปในทางที่ไม่ดี mm. เช่นอยากจะกินเหล้าเมายาอยากจะไปเล่นการพนันอยากไปเที่ยวกลางคืนอยากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดโปรแอนี พอเกิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาก็จะํำไปในทางที่ผิดเดินไปในทางที่ผิดทั้งๆ ท, ที่คิดว่าเป็นทางที่ถูกเพราะไม่รู้ว่าการทาบาป ก, ก็ดีการเสพอบายามุขต่างๆก็ดีจะพาไปสู่การไปเกิดไอบายพาอมองไม่เห็นทางหลับตาเดินไปคิดว่าเป็นทางสู่สวรรค์ เพราะคนที่เขาได้ทำอะไรตามความอยากแล้วเขามีความสุขโกหกพ่อโกหกแม่แล้วสบายมีความสุขถ้าพูดความจริงแล้วเดี๋ยวโดนพ่อดา่าแม่ดา่าก็เลยไม่กล้าพูดความจริงต้องโกหกโกหกพ่อโกหกแม่แล้วคิดว่าสบายไม่โดนดา่าแต่หลังจากนั้นพอได้โกหกแล้วก็ถึงมารู้ทีหลังว่าโกหกแล้วไม่สบายใจ ก็กลัวพ่อแม่จะจับได้ถ้าจับได้ก็จะถูกลงโทษสองชั้นชั้นที่หนึ่งก็คือไปทำผิดมาชั้นที่สองก็มาปกปิดความผิดด้วยการโกหกพอถูกจับก็เลยถูกลงโทษสองกระทงแต่ถ้ายอมสารภาพพ่อแม่รู้ว่าเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนไม่โกหกก็จะลดโทษให้เพียงแต่ว่ากล่าวตักเตือนว่า ต่อไปอยากไปทําอีกนี่คือตัวอย่างของอารมณ์ที่จะทําให้เราไปทําบาป ก, กันไม่มีใครอยากจะทําบาปหรอกแต่พอมีอารมณ์โลภมีอารมณ์โกรธขึ้นมามันยับยั้งไม่อยู่เวลาโกรธใครนี่อยากจะทุบตีเขาอยากจะทําร้ายเขาอยากจะทําให้เขาเดือดร้อนเพราะคิดว่าทําแล้วจะทําให้สบายใจได้ระบายความโกรธ แต่ไม่รู้ว่าเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกันผู้ที่เราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเขาก็จะโกรธเราแล้วเขาก็จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราแล้วก็จะสร้างเดือดร้อนกันไปและเดือดร้อนกันมาตายไปก็เวลาไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าเจอกันที่ไหนก็จะเกลียดกันที่นั่นทันทีเนี่ยชาตินี้เรามาเกิดเนี่ย เราจะพบคนบางคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าเห็นปั๊บเราก็ไม่ชอบแล้วเนี่แสดงว่าเคยมีเวณีกรรมกันมาเคยทําอะไรกันมาพอเห็นหน้ามันก็จําได้หรือว่าถ้าเจอคนที่เห็นแล้วชอบกันนี่ก็แสดงว่าเคยทําบุญร่วมกันมาคอยช่วยเหลือกันมาคอยดูแลกันมาคอยรักกันมาทิงพอเจอปั๊บก็ถูกใจทันทีน ส่วนบางคนเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกรักลอชังก็แสดงว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนหรือเจอกันก็ไม่มีความสัมพันธ์อะไรที่ลึกซึ้งนี่คือลักษณะของบุคคลสามประเภทที่เราจะเจอกันเกิดจากบุญเกิดจากบาปที่เราเคยทำร่วมกันมาในอดีตชาติดังนั้นอย่าทาเวรทากรรมกันดีกว่า ถ้าใครเขาทําอะไรไม่พอใจให้อภัยเขาเสียสปเปสัตตาอเวลาโหนตุเนะอเวลาแปลว่าไม่จองเวรการไม่จองเวรก็คือการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองคือคิดว่าเขาพูดไปแล้วทําไปแล้วเหตุการณ์มันกเกิดขึ้นแล้วความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วให้มันจบตรงนั้นดีกว่าเราอย่ามา สร้างความเสียหายให้ยาวเหยียดต่อไปด้วยการตอบโต้กันนี่แหละคือการแผ่เมตตาที่ถูกต้องต้องแผ่ตอนที่เรามีเหตุการณ์ไม่ใช่แผ่ตอนที่เรานั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็สวดสเพสตาอเวราหงตุอย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นการแผ่เรียกว่าเป็นการสวดการสวดไม่ใช่เป็นการแผ่ การแผลต้องมีผู้รับต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องแผลเช่นเวลาเรามาพบหน้ากันนี้เราก็ยิ้มให้กันนี่ก็แผลเมตตาแนละ้วถามสารทุกข์สุขดิบสบายดีหรือมีหรือมีขนมมีของมาฝากมาแจกอย่างเงี้ยเรียกว่าแผลเมตตาไม่ใช่นั่งสวดอยู่คนเดียวแล้วก็ว่าแผลเมตตาให้สัพเพสัตตาให้สัพปสัสวั์ทั้งปวง สัพสัตทั้งปวงเขาไม่ได้มานั่งรอรับแผ่เมตตาของเราเหรอกเขาก็มีชีวิตของเขาเขาก็มีทุระของเขาเขาจะมานั่งรอแผ่แบบสวนนี้เขาก็ไม่ได้อะไรจากการสวดของเราเขาก็ไม่มารอรับถ้าถ้าขอทานมาขอเงินแล้วเราก็บอกว่าออขอให้สุขให้รวยนะแล้วก็ให้เขาไปเียเขาเขาจะมาขอเงินจากเราไหมมันไม่มาหรอกใช่ม แต่ถ้าเขามาแล้วเราให้เงินเขาเนี่ยโอ้โหเขากราบเขาไหว้เขาดีใจเขามีความสุขนั่นแหละเรียกว่าแผ่เมตตาอย่าแผ่ด้วยวาจาต้องแผ่ด้วยการกระทําที่เป็นประโยชน์กับผู้รับเช่นคนที่เขาทําร้ายเราเราก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยกันไม่ต้องกังวลไม่ถือโทษเกิดเคืองอถือว่าเป็นกรรมของเราที่เรา เคยอาจจะเคยทำอะไรกันมาในอดีตตอนนี้เราก็เลยต้องรับใช้กรรมของเราไปนี่แหละคือการแผ่ต้องแผ่แบบนี้ไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อาฆาตพยาบาทใครไม่จองเวรจองกรรมใครไม่ว่าเขาจะทำร้ายเราขนาดไหนก็ตามเราจะให้อภัยเขาตลอดถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตา ไม่ต้องให้ข้าวของอะไรเขาก็ได้ไม่ต้องให้เงินทองเขาก็ได้ไม่ต้องยิ้มให้เขาก็ได้เพียงแต่ไม่ต้องไปเอาโทษเขาได้เช่นใครขับรถมาชนท้ายเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวประกันจ่ายให้ไปเลยอย่าเสียเวลารถติดต่างคนต่างไปกันไม่ต้องมาทะเลาะกันปากเปียกปากฉี่กันแล้วก็โกรเกียดกันเปล่าๆถ้า อ, อ, อย่างนี้แหละเขาจะรักเราจะชอบเรา คราวหน้าเจอเราก็จะยกมือไหว้เราเขาจะไม่ด่าแม่เราแต่ถ้าเรามานั่งเถียงกันเอาผิดเอาถูกกันนี่เดี๋ยวเจอหน้ากันเขาก็โกรธเขาก็เกลียดเรานี่คือการแผ่เมตตาชาวพุทธเราเท่าที่ได้ยินคำถามมานี้สแสดงว่าแผ่ไม่เป็นกันเวลาเจอกันนี่แยกเคี้ยวใส่กันด่ากันว่ากันแต่เวลาไหว้พระสวดมนต์โอ้ยแผ่ใหญ่เลยสัพเพสัตตา ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเวรกันเถิดขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิดขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่เบียดเบียนกันเถิดนี่มันมีแต่คําว่ามีแต่ปากมีแต่วาจาเป็นคําสวดการสวดนี้เพื่อเป็นการสอนเราว่าวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่อย่างไรบ้างเวลาที่เราพบปะกัน เวลาที่เกิดการทะเลาะวิวาทกันก็ให้อภัยกันไม่จองเวรจองกรรมกันถ้ามีของอะไรที่เรามีเหลือเฟือก็เอาไปแจกกันอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ด้วยการนั่งสวดมนต์ไปคนเดียวอันนี้เป็นการฝึกเป็นการสอนใจซ้อมใจไว้ก่อนซ้อมว่าเวลาเราเจอกันเราต้องยิ้มให้กัน ถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเขาเราก็ต้องพยายามหัดยิ้มให้เขาแล้วเขาจะแปลกใจแล้วต่อไปเขาอาจจะไม่ได้เป็นศัตรูกับเราก็ได้นี่คือวิธีเปลี่ยนศัตรูมาให้เป็นมิตรต่อไปเราก็จะไม่มีศัตรูเราจะมีแต่มิตรคนที่แผ่เมตตาได้นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์แลนะเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครโกรธใครเกลียดเรา จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือตายด้วยยาพิษเพราะจะไม่มีใครจะมาวางยาไม่มีใครจะมาฆ่าเราด้วยอาวุธชนิดต่างๆว่าเร า, เราไม่ได้ไปทำให้เขาโกรธเขาเกลียดเราเราทำให้เขารักเราคนที่เขารักเรานี้เขาจะไม่คิดร้ายกับเราโดยเด็ดขาดแล้วเวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้าย แล้วเวลาตายไปก็จะไปสู่สุขติจะไม่ไปเกิดในอบายนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดเนื่องจากลูกของเราบวชพอลูกบวชเราก็คิดถึงลูกพ่วงลูกก็เอาหาอาหารคาวหวานมาใส่บาทมาถวายลูกที่วัดแล้วก็ถวายกับพระลูกอื่นด้วย แล้วพร้อมกับได้ฟังเทพ ฟ, ฟังธรรมไปด้วยได้ความรู้ได้ความเข้าใจที่ดีขึ้นสามารถนำอาอกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อก่อนมีแต่ศัตรูเดี๋ยวนี้เริ่มไม่มีศัตรูจำนวนศัตรูเริ่มน้อยลงไปความสบายใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นพอได้ทำบุญแล้วเห็นประโยชน์ของการทาบุญว่ามีประโยชน์ทั้งปัจจุบันคือมีความสุข ในขณะที่มีชีวิตอยู่และเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดชั้นสูงสุดได้หลุดพ้นจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยติดใจมาวัดต่อนังจากที่ลูกศึกไปแล้วก็ยังมาอยู่ลูกไม่มาแล้วลูกไปเที่ยวไปเล่นตามภาษาก็าแล้ว เพราะเขาถือว่าเขาได้ชดใช้บุญคุณให้กับพ่อกับแม่แล้วแต่พ่อกับแม่กลับมาวัดต่อเพราะพ่อแม่เห็นคุณค่าของธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคาสอนว่าทำให้เกิดบุญเกิดกุศลบุญก็คือความสุขใจกุศลก็คือความฉลาดความรู้ปัญญา ที่จะสอนให้เราดำเนินชีวิตไปอย่างมีประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผู้อันนี้แหละคือบุญกุศลที่พ่อแม่จะได้รับจากการที่นำลูกมาบวชถ้าไม่ลูกไม่มาบวชพ่อแม่ก็จะไม่มาวาดกันเพราะจะต้องอยู่กับลูกเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้มาบวชลูกก็อาจจะต้องพาลูกไปเที่ยว พาลูกไปเรียนพิเศษพาลูกไปทําอะไรไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆก็จะไม่ได้มาวัดไม่ได้มาทําบุญทําทานไม่ได้มารักษาศีลไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมแต่วันนี้ลูกมาบวชก็เลยไม่ต้องพาลูกไปซื้อข้าวซื้อของไม่ต้องพาลูกไปเรียนพิเศษไม่ต้องพาลูกไปไปเที่ยวไปเล่นก็เลยมีเวลามาเยี่ยมลูกที่วัด เอากับข้าวกับปลาอาหารของใช้ไม้สอยอะไรต่างๆมาถวายพระเนนทิวัดแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมได้สิ่งที่ไม่ได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเช่นวิธีแผ่เมตตาที่ถูกต้องว่าต้องแผ่อย่างไรได้การบวชของลูกจะทำให้เราได้บุญอย่างไรถ้าบวชลูกแบบตัดหางปล่อยวัดบวชแล้วก็แล้วกันไป ลูกก็อยู่วัดไปพ่อแม่ก็ทํามาหากินตามปกติต่อไปตัวใครตัวมันอย่างนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้บุญผู้ที่ได้บุญก็คือลูกเพราะเมื่อลูกมาบวชก็ต้องมารักษาศีลรักษาศีลแล้วก็ต้องมาปฏิบัติมาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเรียนนักธรรมตีโทเองมาเรียนรู้ว่าความดีนี่คืออะไร ความดีคือความกตัญญูกะตะเวทีความดีคือความสัมมาคารวะเป็นต้นก็จะเริ่มทำความดีมีความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาวิธีตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาก็มีหลายวิธีถ้ายังอยู่กับบิดามารดาก็ให้ความเคารพ กราบไหว้พ่อแมเ่เวลาเจอกันเวลาก่อนจะออกจากบ้านไปโรงเรียนก็ควรจะกราบพ่อกราบแม่เวลากลับบ้านก็กราบพ่อกราบแม่เพื่อแสดงความเคารพแสดงความกตัญญูสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ที่มีพระคุณต่อลูกๆอย่างมหาศาลเพราะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ลูกๆ ก, ก็เกิดมาไม่ได้แล้วเกิดมาแล้วก็ยังต้อง พ่อแม่ต้องเสียสละเงินทองเสียสละเวลาเสียสละอะไรต่างๆเพื่อเลี้ยงดูให้ลูกได้เจริญเติบโตให้ลูกมีเป็นคนที่มีประสิทธภาพให้ลูกเป็นคนที่มีคุณภาพด้วยการส่งไปเรียนหนังสือแล้วก็พามาวัดพามาทำบุญทำทานมาศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมพอได้อายุบวชก็บวชให้กับลูก นี่แหละบุญคุณของพ่อแม่ใหญ่หลวงอย่างมหาศาลพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้แบกพ่อแบกแม่ไห้บนไหลเลี้ยงดูท่านอย่างดีปล่อยให้ท่านอุจจาระปัสสาวะใยเราไปจนวันตายบุญคุณของพ่อแม่เราก็ใช้ไม่หมดนี่แหละคือความดีที่พวกเราอาจจะมองข้ามกันแล้ว ถ้าเรามาศึกษาเราจะได้รู้วิธีปฏิบัติกับพ่อแม่ที่ถูกต้องถ้าเป็นเด็กก็เคารพพ่อแม่เ <c oughs> ชื่อฟังพ่อแม่ถ้าโตแล้วมีเงินทองก็ซื้อขา้าบซื้อของมาฝากพ่อฝากแม่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็โทรศัพท์ติดต่ อ, อกันถามสารทุกสุขดือกันทุกวี่ทุกวันด้วยความห่วงสแสดงความห่วงใย แล้วถ้าพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ก็ต้องรับพ่อแม่ไปอยู่ด้วยเลี้ยงดูพ่อแม่ไปจนกว่าพ่อแม่จะตายไปแล้วหลังจากที่พ่อแม่ตายไปแล้วก็ต้องทำบุญนุทิ์ให้กับพ่อแม่ต่อไปนี่คือการแสดงความกตัญญูกตวเวทีคนที่มีความกตัญญูกตวเวทีนี้จะเป็นคนที่เป็นคนดี คนเราจะดูคนเราว่าดีไม่ดีขอให้ดูที่ความกระตันยูถ้าเป็นคนไม่มีความกระตันยูนี่จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะขนาดพ่อขนาดแม่เขาเขายังไม่เดี๋ยวแลเลยเขายังไม่สำนึกในบุญคุณเลยแล้วเราไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เขาเขาจะมาสำนึกในบุญคุณเราทำไมทำอะไรให้กับเขาก็ทำแล้วก็ศูญย์เปล่าไม่ได้อะไร นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเรามาบวชมาเรียนแล้วเราก็จะได้ปรับตัวของเราให้กลายเป็นคนดีขึ้นมาคนเราจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่การมาเกิดเป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์เฉยๆนี่ยังไม่ถือว่าดีหรือชั่วต้องอยู่ที่การกระทำถ้าคิดดีพูดดีทำดีแล้วนั่นแหละก็จะกลายเป็นคนดีขึ้นมาถ้าคิดชั่วพูดชั่วทาชั่ว ก็จะกลายเป็นคนชั่วขึ้นมาอย่างพวกที่ไปติดคุกติดตารางนี่มันเป็นพวกที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลก็เลยต้องไปติดคุกติดตารางแต่พวกที่คิดดีพูดดีทำดีก็ได้ดิบได้ดีกันทำงานหากินก็ร่ำรวยกันมีตำแหน่งใหญ่โตกันนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้จากการที่ได้มาวัดจะมาบวชเรียนหรือมาทาบุญก็ตาม เมื่อเรามาแล้วเราจะได้ความรู้ที่เราไม่รู้กันม่ก่อนแล้วเราจะสามารถนำความรู้นี้มาพัฒนาตัวเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะไปเป็นพระอริยเจ้ากันนพระโสดาบรรพสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันกันแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไป นี่คือเรื่องบุญกุศลที่เราจะได้จากการที่เรามาวัดกันก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้